และปัญญากายต้องพัฒนาด้วยศีลจิตต้องพัฒนาด้วยปัญญาเพราะนั้นพัฒนาศีลกับพัฒนาปัญญาชื่อว่าพัฒนากายและพัฒนาจิตเข้าใจไหมข้อสี่การดูควรจะทาจะทำะเวทนาให้เกิด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 ไปซ้ายไปลูกแข็งไปสวาไปูกอ่อนอย่างนี้นะพอมาตรงกลางปับ๊บไม่เข้าไปทั้งแข็งทั้งอ่อนรู้อ่อนรู้แข็งเฉยเฉยรู้ร้อนรู้เย็นเฉยเฉยจิตก็เป็นกลางอันนี้ก็รรักษาไว้ได้นานข้อสี่การจดบันทึกจะไม่ทำให้จิตฟุ้งซ่านหรือทำให้เพลินได้ง่ายเพราะในช่วงมันจะทำให้ขายความต่อเนื่องไหม <c oughs> การรูผลดีผลเสีย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 ด้วยการไม่บันทึกไม่เกิดปัญญาเหมือนกันเพราะเข้าไปเป็นความรู้สึกไม่ชอบฉ่านนั้นจะทาไงเขาต้องมาตั้งสติดูความไม่ชอบให้มันดับไปแล้วก็ลงมือบันทึกถึงความไม่ชอบว่ามีอาการอย่างไรเราสามารถบรรยายความไม่ชอบ่าเป็นตัวริษยาได้อ น, นั้นเป็นปัญญาคุ้มไหมอ่าคุ้ม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 กุตติทุวันต่อไปเรื่อยๆคงไม่มีโยมมาเข้าวัดทําบุญหรอกนะผมก็มโมโหตัวเองมากที่มีปิมปัญญาตอบขอได้ <c oughs> ไปทึ้งมาขอความเมตตาจะหลวงพ่อช่วยแนะนําผมนะเอก็อดีนะนี่อย่างน้อยก็มีปัญญาเขียนออกมาได้นะใช่ไหมนี่คือปัญญาแล้วนะอันทศพลถ้ามีไม่มีปัญญาจะเขียนออกมาไม่ได้นะใช่ไหมนี่คือปัญญา เอ่เออปัญญาคือสามารถที่จะเห็นภาพของความคิดเนี่ยแต่สามารถเอาออกมาเป็นรูปธรรมได้แต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยความคิดที่เอาออกมาเป็นรูปธรรมอะไรคิดแลหายไปคิดไปหายไปเป็นหมื่นๆแสนแสนเรื่องใช่ไหมแต่เราจะเขียนออกมาสักเรื่องเป็นเครื่องตัวหนังสือเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยนะอ่อวันนี้อาจจะคิดจั้งร้อยเรื่องเนี่ยลองให้เขียนออกมาสักเรื่อ ง, งจําได้ไหม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 ความที่พอใจก็คืออยู่ติดบ้านนะไม่ต้องไปไหนพอใจอยู่แค่นี้แหละไม่พอใจก็ไม่อ ย, อ, ยอยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วอยากจะไปให้ไกลกับคนคนนี้เพราะคนนี้ละฉันรักคนนี้ฉันอยากจะอยู่คนนี้ตลอดเวลาเลยแต่วันนี้คนนี้คนเกียดฉันไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยอันไหนดีกว่ากันถ้าสองอย่างเมื่อดีเลยใช่ไหมรักในสิ่งที่คนรักชงไม่คนจะมีเลยนะเพราะนั้น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 Uh, อย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นโอ้จะคิดแบบเล น, นน็อตไว้ได้คุ้มกันหรือเปล่าเนี่ม น, นั่งเขียนเนี่ยอะไรของนี้หลวพ่อก็บอกเออถ้าทำด้วยสติสัมยามันเกิดปัญญาก็คุ้มนะแต่ทำด้วยความฟุ้งซ่านเลอะเทอะเลอะรือนนี้ก็ไม่คุ้มก็อย่าไปทำนะอันนี้ก็จะต้องพิจารณาถึงเหตุถึงผลด้วยนะตกลงว่าเราได้อตอบปัญหาแลวทาบันทึก ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้นะเวลาที่เหลือก็จะให้เราไปทำปรลรกความเพียรอะสสำหรับวันนี้ผมาจันพงศ์ท่านอมศักดิ์และท่านอูได้ไปเตรียมพื้นที่ด้านหน้าประมาณสิบกว่าที่สาหรับพระที่อยู่ด้านนี้ที่จะย้ายไปในวันต่อไปแล้วแต่ท่านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบเนี่ยท่านจะย้ายวันไหนก็ได้อ่ะ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 เป็นไงบ้างพอพอจะใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับแต่เรื่องน้ำต้องดูดก่อนครับว่ามันจะตอนนี้เขาสูกขึ้นหรือยังสูงขึ้นแล้วครับหุนนั้นเรื่องใช้เร่ใช้สใช้ได้ดีใช้ได้ดีห้องน้ำก็ใช้ได้ดีนะแต่เรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องอาบนี่ <ใช S 1> ต้องดูก่น อ, อนเ่อาบได้ไมอ๋อมันขุนเนาะแต่ถ้าในสายใหญ่ที่เราตักขึ้นมาอาบมันไม่มีไดลงเนาะสใหญ่สายใหญ่ใช้ไม่ได้ครับน้ามันลงไปข้างล่าง เขาเก็บน้เพื่อลงไข้าหมู่บ้านอ๋อแต่ว่าถ้าเราใช้นี่หน่อยก็ไม่น่ามีปัญหานะแต่ว่าเราลงไปตักไม่ได้ทั้มันต้องมีวินัยคือต้ตักออกมาแล้วไม่ใช้ข้างนอกตักน้นั้นเองถ้าเราก็มีก็จะหากก็ดีเนะนี่เขาไม่มีใหู้ดกว่ามันสะกอนตื้รอไหมเพราะว่าผมไปดูแบบชาวบ้านอยู่วันนี้เพราะท่อนี่ก็มีพวกตะกอนพวกมัพวกอะไรเยอะอ๋อต้องล้างหลายวันดูดูก็เปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวนนั้นเอง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 ลองไปดูก่อนแต่สำหรับทางด้านนี้ท่านวชละอันจันแดงท่านอะไรอีกนะยู่บนอะ่ะ<น>ฮะเ็นครับเนนะเป็นทัน้งสามท่านก็ลองอยู่ทางนี้ไปก่อนเนาะเผื่อว่าถ้าอยู่นี้ถ้าไม่สะดวกไงก็าย้ายไปนั้นก็ได้ก็มีก็ให้ดาลงสักชุดก็ได้หลังวันที่สิบก็าย้ายไปก็ได้